เรื่องช้างบาริเลยกะลยักเสนีชื่อกาลีความเดิมในข้อนี้คือว่าภิกษุชาวเมืองโกสัมพีได้มีเรื่องบาทหมางทะเลาะวิวาทกันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นถึงความร้อมเปลี่ยนกันจึงได้ตรัสเล่าถึงความที่พระเจ้าพรมทัต ช่วงจริงราชสมบัติและประหงพระชนของพระเจ้าคีตีติและความที่พระเจ้าบรมทัตกับบุตรของพระเจ้ากีตีติคือทีคาวุกุมานได้กลับมีความพร้อมเปลี่ยงกันไม่วิวาทผูกเวรกันและประชุมชาดกคือกล่าวสรุปในที่นั้นว่าภิกษุทั้งหลายคันติคือความอดทนและโสระจั คือความสงบเสงี่ยมเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระราชาเหล่านั้นผู้ทรงอาจยาทรงถือสตรตวุปในมือการที่พวกเธอบวชแล้วในธรรมวินยัยอันเรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้จะพึงมีความอดทนและความสงบเสงี่ยมนั้นก็จะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้แน่แนี้แล้ว แต่ก็ไม่สามารถจะทำพิกสุทั้งหลายเหล่านั้นให้พร้อมเปลี่ยนกันได้เลยจึงทรงมีความคิดว่าพวกโมค้าบุรุษเหล่านี้ดื้อรั้นนะักจะทำความสามัคคีกันไม่ใช่ง่ายเลยถ้าอย่างไรเราพึงหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวดังนี้แล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จหลีกไปในวันรุ่งขึ้น จึงเสด็จเที่ยวบินาบาตรในเมืองโกสัมพีไม่ตรัสบอกภิกษุสงฆ์ทรงถือบาทจีวรของพระองค์เสด็จไปพาละกะโลนการามได้ตรัสถึงข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ผู้เดียวกับพระภักคุเถระที่พาละกะโลนการามนั้นแล้วและได้ตรัสอ น, นิสงส์แห่งความสามัคคี แก่คุรบุตรสามคนคือท่านพระอนุรุทธะพระนันทยะและท่านพระกิมพิระตามนัยยะของอุปกิเลสสูตรในป่าชื่อป่าจีนบงแล้วได้เสด็จไปทางบ้านปาริเรยกะแล้วได้สดับมาในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยบ้านปาริเรยากะเสด็จจำพรรษา อยู่ที่ควงไม้สาระใหญ่ในราวป่ารักกิตวันได้มีความดริแห่งใจเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าก็เมื่อก่อนเราอยู่เกลื่อนกลนวุ่นวายด้วยภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อเรื่องบาดหมางก่อการทะเลาะก่อการวิวาททำความอื่อฉาวก่ออธิกรในสง์เหล่านั้นอยู่ไม่สำราญเลยบัดนี้เราเว้นว่าง จากเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนเป็นสุขสาราญดีในสมัยนั้นมีพระยาช้างเชือกใหญ่ตัวหนึ่งก็ยุ่งอยู่ด้วยช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่ลูกช้างเล็กได้กินแต่หญ้ายอดด้วนส่วนกิ่งไม้ที่พระยาช้างนั้นหักลงมากองไว้ช้างเหล่านั้นก็กินหมด ได้ดื่มแต่น้ำคุนคุเมื่อพระยาช้างนั้นลงและขึ้นจากท่าน้ำช้างพังก็เดินเสียดสีกายไปต่อมาพระยาช้างนั้นก็มีความคิดขึ้นในใจว่าแบบ น, นี้เราอยู่เกลื่นกลนวุ่นวายด้วยช้างพลายช้างพังและลูกช้างเหล่านี้จะไหนเนเราพึงหลีกออกจากโขงอยู่แต่ผู้เดียว หนังนี้แล้วก็ได้หลีกออกจากโขลงเข้าไปนะตำบลบาริระยะกะในราวป่ารักกิตวันที่กวางไม้สาระใหญ่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ก็กรกันเข้าไปแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เสด็จประทับอยู่ในที่นั้นไม่เห็นวัตถุอะไรอะไรอื่น จึงกระทืบกวงไม้สาระใหญ่ด้วยเท้าทาให้เรียบถือกิ่งไม้ด้วยงวงกวาดอยู่ตั้งแต่นั้นมาปริยาช้างนั้นจับหม้อ ด, ด้วยงวงหลักน้ำฉันน้ำใช้มาตั้งไว้เมื่อทรงประสงค์ด้วยน้ำร้อนก็จัดน้ำร้อนถวายคือปริยาช้างนั้นสีไม้แห้งด้วยงวงให้เกิดไฟ ใส่ฟืนให้ไฟลุกขึ้นเผาศิลาในกองไฟนั้นแล้วกลิ้งก้อนศิลาเหล่านั้นไปด้วยท่อนไม้ทิ้งลงในบ่อน้อยที่ตัวกาหนดหมายไว้ลำดับนั้นจึงหย่อนงวงลงไปรู้ว่าน้ำร้อนแล้วจึงไปถวายบังคมพระศาสดาพระศาสดาตรัสถามว่าปาริเตยกะน้ำเจ้าต้มแล้วหรือ ดังนี้แล้วก็เสด็จไปสงในที่นั้นในการนั้นพระยาช้างนั้นนำผ ล, ลมไม้นานาชนิดมาถวายแด่พระาศาสดาก็เมื่อพระาศาสดาจะเสด็จเข้าไปเพื่อบินบาตในหมู่บ้านพระยาช้างนั้นจึงถือบาทและชีวรวางไว้บนตระพองตามเสด็จพระาศาสดาไปเมื่อพระาศาสดา เสด็จถึงในเขตหมู่บ้านแล้วก็รับสั่งว่าบาริเลยะกะตั้งแต่ที่นี้เจ้าไม่อาจไปได้เจ้าจงเอาบาทและจีวรของเรามานังนี้แล้วให้พระยาช้างนั้นเอาบาทและจีวรมาถวายแล้วเสด็จเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบินบาศส่วนพระยาช้างนั้นยืนอยู่ที่นั่นเองจนกว่าพระสัสดา จะเสด็จออกมาในเวลาพระศาสดาเสด็จมาทำการต้อนรับถือบาทและจีวรให้นําไปอยู่หน้าที่ประทับถวายงานพัดด้วยกิ่งไม้แสดงข้อวัดอยู่ในเวลาราตรีพรยาช้างนั้นถือท่อนไม้ด้วยงวงเหยี่ยวไปในระหว่างระหว่างแห่งราวปาจนกว่าอารุณจะขึ้นเพื่อป้องกันอันตราย อันเกิดจากสัตว์ร้ายด้วยตั้งใจว่าเราจะรักษาพระศัษษสดาครั้นอรุณขึ้นแล้วพระยาช้างนั้นก็ทําข้อวัดทั้งปวงโดยอุบายเดิมนั่นแหละตั้งต้นตั้งแต่ถวายน้ําใช้น้ําฉันในการนั้นว่านอนตัวหนึ่งเห็นช้างนั้นลุกขึ้นทําข้อวัดปฏิวัติต่างๆแต่พระตถาคตเจ้าแล้ว ก็คิดว่าเราจะทําอะไรอะไรถวายบ้างหลิงนั้นเห็นรวงพึ่งที่กิ่งไม้ที่ตัวพึ่งนั้นละไปแล้วจึงหากกิ่งไม้นั้นนํารวงพึ่งพร้อมทั้งกิ่งไม้ไปถวายพระศัสดาโดยเด็ดใบตองรองถวายพระผู้มีพระภาคทรงรับแล้วเมื่อวานอนแล่ดูอยู่ด้วยคิดว่า พระศาสดาจะทรงบริโภคหรือไม่นอะเห็นพระศาสดาทรงรับแล้วก็นิ่งเฉย อ, อยู่จึงคิดว่าเพราะเหตุอะไรน้อแลจึงจับปลายกิ่งไม้พลิกพิจารณาดูเห็นตัวอ่อนแล้วจึงค่อยๆนําตัวอ่อนเหล่านั้นออกแล้วจึงได้ถวายใหม่พระศาสดาทรงบริโภคแล้วว่านอนนั้นมีใจยินดี ได้จับกิ่งไม้อื่นๆฟ้อนอยู่ในการนั้นกิ่งไม้ที่วานอนนั้นจับแล้วก็ดีกิ่งไม้ที่วานอนนั้นเหยียบแล้วก็ดีได้หักลงแล้ววานอนนั้นตกลงที่ปลายต่ออันหนึ่งมีตัวอันปลายต่อแทงแล้วมีจิตเลื่อมใสตายแล้วเกิดในวิมานทองสูงสามสิบโยตในภพดาวดึง มีนางอับสอนันหนึ่งเป็นบริวารการที่พระตถาคตเจ้าอันพระยาช้างอุปทากประทับอยู่ในราบารักกิตวันนั้นข่าวนี้ได้เลื่องลือไปทั่วชมบุทวีปสามเดือนล่วงไปก็ในครั้งนั้นมีภิกษุผู้จำพัรษาอยู่ในที่ต่างๆจำนวนห้าร้อยรูปออกพรรษาแล้ว มาพบท่านพระอ น, นุ์วอนขอให้ท่านพระอ น, นุ์พาไปพบพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ป่ารักกิตวันท่านพระอนตน์พาภิกษุเหล่านั้นไปโดยความคิดว่าการที่เราจะเข้าไปสู่สํานักพระผู้มีพระภาคผู้เสด็จอยู่พระองค์เดียวตลอดพรรษาพร้อมกับภิกษุมีประมาณถึงเท่านี้หากวรไม่ดังนี้แล้วจึงพักภิกษุ เหล่านั้นไว้ด้านนอกแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแต่เพียงรูปเดียวก่อนพระยาช้างปาริเลยกะเห็นท่านพระอนุนเทระแล้วถือท่านไม้วิ่งเข้าไปพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นแล้วตรัสว่าดีไปเสียปาริเลยะกะอย่าห้ามเลยเพียงสุดนั่นเป็นอุปทาของเรา พระยาช้างปาริรลยะกะนั้นทิ้งท่อนไม้เสียในที่นั่นอย่างแล้วได้เอื้อเฟือถึงการรับบาทและจีวรพระเถระไม่ให้บาทและจีวรกับพระยาช้างนั้นพระยาช้างได้มีความคิดว่าถ้าภิกษุรูปนี้จะมีข้อวัดอันได้เรียนดีแล้วท่านคงจะไม่วางบริการของตนไว้บนแผ่นศิลาอันเป็นที่ประทับ ของพระศาสดาก็ในที่นั้นท่านพระอนุลได้วางบาทและจีวรของตนไว้ที่พื้นแล้วจึงอยู่ชนพูดถึงพร้อมด้วยข้อวัดย่อมไม่วางบริการของตนไว้บนที่นั่งหรือบนที่นอนของครูประยาช้างนั้นเห็นอาการนั้นได้เป็นผู้มีจิตเลื่อมใสในท่านพระอนุลแล้ว ท่นพระอนุนถวายอภิวาทพระศาสดานั่งอยู่ที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระอนุนว่าอ น, นุนเธอมาผู้เดียวเท่านั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มาพร้อมกับภิกษุ500รรูปที่จำพรรษาในทิศ ต, ต่างๆพระเจ้าคา้าก็ภิกษุเหล่านั้นอยู่ที่ไหนเล่าอยู่ข้างนอกพระชจ้าา ข้าพระองค์ไม่ทราบน้ำพระใจของพระองค์จึงพักพวกเธอทั้งหลายเหล่านั้นไว้ข้างนอกแล้วมาแต่รูปเดียวเอาละ อ, น, อนุนเธอเรียกภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมาเถิดเมื่อภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วพระผู้มีพระภาคได้กล่าวคําอันพอเป็นที่ให้ระลึกถึงกันแล้วภิกษุเหล่านั้นจึงทูลตามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์เสด็จประทับยืนประทับนั่งอยู่พระองค์เดียวตลอดไตรามาสทำกิจที่ทำได้ยากผู้ทำข้อวัดปฏิบัติก็ดีผู้ที่ถวายน้ำฉันน้ำใช้ก็ดีชะ่รอยจะไม่ได้มีในที่นี้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกิจทั้งปวงของเราอันพระยาช้างปาริเลยกะทำแล้วอันบุคคล ผู้ได้สหายเห็นป่านนี้อยู่ด้วยกันนั้นเป็นสิ่งควรแล้วเมื่อไม่ได้สหายเห็นป่านนี้ความเป็นผู้เที่ยวไปผู้เดียวเท่านั้นประเสริฐกว่าหนังนี้แล้วโดวยตรัดคำที่เป็นคาถาสื่อใบว่าถ้าหากไม่ได้สหายที่พาตัวรอดเป็นปราที่มีความเป็นอยู่ดีเป็นเพื่อนร่วมทางไซ ก็จงทำตัวให้เหมือนพระราชาที่ละแวนซึ่งพิชิตได้ล้ไปเสียแล้วเที่ยวไปคนเดียวดุดช้างหมาตัางคะเที่ยวไปในป่าตัวเดียวฉะนั้นการเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าเพราะไม่มีความเป็นายกันได้กับคนพาลพึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่ทำบาปเป็นคนมักน้อยดุดช้างหมาตัางคะ เป็นสัตว์มากน้อยเที่ยวไปในป่าฉะนั้นดังนี้ท่านพระอนต์ได้กราบทูนถึงสารที่ตระกูลใหญ่ๆมีท่านอนาตบินทิกะเป็นต้นส่งมาแล้วกราบทูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอริยาสาวกจำนวนมากที่เมืองสาวัตถีหวังการเจดิมาของพระองค์อยู่พระศาสดาจึงตรัสว่า อนนถ้าอย่างนั้นเธอจงรับบาดและจีวอนของเราไปเถิดหังนี้แล้วให้ท่านพระอนล์รับบาดจีวรและเสด็จออกไปฝ่ายพระยาช้างได้ไปยืนขวางต่างเอาไว้พิสุท์ทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงตรัสถามพระผู้มีประภากพระศาสดาตรัสว่าพิสุทธ์ทั้งหลายช้างหวัง เจอถวายพิกษาแก่เธอทั้งหลายก็ช้างนี้ได้ทำอุปการะแ ก, กเราตลอดไตรมาสการยังจิตของช้างนี้ให้ขัดเกืองไม่กวนเลยแล้วจึงพากันอยู่ที่ป่ารักกิตวันนั้นอีกคืนหนึ่งฝ่ายช้างไปสู่ราป่าแล้วรวบรวมผลไม้ต่างๆมีผลขนหนุนและกล้วยเป็นต้นทำให้เป็นกองไว้ ในวันรุ่งขึ้นได้ถวายพิษานั้นแก่ภิกษุทั้งหลายในการเสร็จพันธกิจพระสัสดาส่งถือบาทและจีวร อ, ออกไปพระยาช้างได้ไปยืนขวางหน้าพระสัสดาเมื่อพระผู้มีพระภาคทราบความต้องการที่ช้างนี้จะส่งให้พวกภิกษุทั้งหลายไปแต่ให้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่จึงได้ตรัส กับช้างนั้นอย่างนี้ว่าปาริเลยะกะการไปครั้งนี้เราจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกชานก็ดีวิปัสสนาก็ดีมรัรกและผลก็ดีย่อมไม่มีแก่เจ้าในอัตภาพนี้เจ้าชงหยุดเถิดปรยาช้างใดฟังรับสั่งดังนั้นแล้วได้สอดงวงเข้าปากร้องไห้เดินตามไปข้างหลังข้างหลัง กบปริยาช้างนั้นมีความคิดว่าถ้าสามารถเชิญพระสัสดาให้กลับได้ก็จะพึงปฏิบัติโดยอาการนั้นแลล่วนตลอดชีวิตฝ่ายพระสัสดาเสด็จถึงแดนบ้านแล้วได้ตรัสว่าบารีเลยากาเอ๋ยจำเดิมแต่นี้ไปไม่ใช่ที่ของเจ้าเป็นที่อยู่ของหมู่มนุษย์มีอันตรายเบียดเบียนอยู่รอบข้างเจ้าจงหยุดเถิด ช้างนั้นยืนร้องไห้อยู่ในที่นั้นข้นเมื่อพระศาสดาทรงลาคลองแห่งจักสสุไปก็มีหัวใจแตกทำกาล่าแล้วเกิดในท่ามกลางนางเทพอับสอนพันหนึ่งมีวิมานทองสูงส0โยน์ในภพดาวดึงประความเลื่อมใสในพระศาสดาชื่อของเทพบุตรนั้นว่าปาริเลยยกะเทพบุตร ายพระสัสดาได้เสด็จถึงพระเชตวันแล้วโดยลําดับทำาบทแปลเรื่องความเกิดขึ้นของนางยักษณีชื่อกาลีมีกุลบุตรคนหนึ่งเมื่อบิดาทากาละคือตายไปแล้วก็ทำการงานทั้งปวงทั้งในที่นาทั้งในที่บ้านด้วยตัวของตัวเองปฏิบัติดูแลมารดาอยู่ ต่อมามานดาจึงได้บอกกับเขาว่าลูกเอ๋ยแม่จะนำหญิงสะใภ้มาให้เจ้าแม่อย่าพูดอย่างนั้นเลยฉันนี่แหละจะปฏิบัติแม่ไปจนตลอดชีวิตลูกเอ๋ยเจ้าคนเดียวทำงานอยู่ทั้งในที่นาและทั้งที่บ้านเพราะเหตุ น, นั้นแม่จึงมีความไม่สบายใจแม่จะนำหญิงสะใภ้มาให้เจ้าละ่ะเขาก็ห้ามมารดาหลายครั้งแล้ว ก็ได้หนิ่งเสียมานดานั้นออกจากเรือนเพื่อจะไปสู่ตระกูลแห่งหนึ่งเพื่อสู่ขอหญิงสะพ้ยลำดับนั้นเมื่อบุตรทราบว่าแม่จะไปขอหญิงสะพ้ยจากตระกูลโน้นจึงห้ามการไปแล้วบอกตระกูลที่ตนชอบใจให้มานดาจึงได้ไปตระกูลนั้นมั่นหญิงผู้หนึ่งไว้กำหนดวันแต่งงานน้ำหญิงผู้นั้น มาเป็นหญิงสะพยไว้ในเรือนของตนปรากฏว่าหญิงสะพยนั้นเป็นหญิงหมันมานดาจึงกล่าวกับบุตรว่าลูกเอ๋ยเจ้าให้แม่นำหญิงตามที่เจ้าชอบใจมาแล้วก็ในบัดนี้หญิงผู้นั้นเป็นหมันก็ธรรมดาตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมชิบหายประเพณีย่ยอมไม่สืบเนื่องต่อไปเพราะฉะนั้น แม่จะนำหญิงคนอื่นมาให้เจ้าแม้บุตรนั้นกล่าวห้ามอยู่หนึ่งเนืองอย่างนั้นแม่ก็ยังกล่าวอยู่อย่างนั้นบ่อยๆหญิงหมั้นนั้นได้ยินคำนี้แล้วจึงคิดว่าธรรมดาบุตรจะย่อมขัดมารดาบิดาไปไม่ได้แบบ น, นี้แม่บัวของเราคิดจะนำหญิงอื่นผู้ไม่เป็นหมั้มาแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะตก อยู่ในตำแหน่งของนางทาสีถ้าอย่างไรเราพึงนำหญิงคนหนึ่งมาเสียเองกิดดังนี้แล้วจึงได้ไปยังตระกูลหนึ่งขอหญิงผู้หนึ่งมาเพื่อประโยชน์แก่สามีต่อมาหญิงหมันนั้นได้มีความปริวิตกขึ้นมาถ้านางคนนี้จะได้บุตรหรือที่ดาแล้วไซจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติแต่ผู้เดียว เราจะทําโดยประการที่ไม่ให้นางนั้นมีบุตรหนังนี้แล้วลําดับนั้นหญิงหมันนั้นจึงพูดกับนางนั้นว่าแม่เอ๋ยถ้าขันตั้งขึ้นในท้องหล่อนเมื่อไรขอให้หล่อนบอกแก่ฉันเมื่อนั้นเมื่อนางรับคําดังนั้นแล้วครั้นเวลาตั้งกันได้บอกความข้อนั้นกับหญิงหมันส่วนหญิงหมันนั้นแลให้เข้าต้ม และเข้าสวยแก่นางเป็นนิดภายหลังนางได้ให้ยาสําหรับทําคันให้ตกปนกับอาหารแก่นางนั้นคันก็ตกคือแทงลูกเมื่อคันตั้งแล้วเป็นครั้งที่สองนางนั้นก็ได้บอกแก่หญิงหมันนั้นอีกแม้หญิงหมันนั้นก็ทําให้คันตกคือแท้งลูกอีกด้วยอุบายอย่างนั้นนั่นแลเป็นครั้งที่สองรูป แ, แบบนั้น หญิงสหายที่คุ้นเคยกันกับหญิงนั้นได้ถามเป็นนัยะให้หญิงนั้นฉุกคิดถึงหญิงที่อยู่ร่วมกับสามีว่าจะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดการแต้งลูกนางนั้นในครั้งที่สามเมื่อเกิดตั้งกันขึ้นจึงไม่ได้บอกแก่หญิงหมันนั้นต่อมาฝ่ายหญิงหมันเห็นท้องของนางใหญ่ขึ้นแล้วจึงคิดว่า จะทำนางนั้นให้แทงอีกเป็นครั้งที่สามแต่หญิงที่ตั้งคันนั้นคอยระมัดระวังอยู่หญิงหมันจึงคอยดูความประมาทของหญิงที่ตั้งคันนั้นอยู่และได้ช่องในการที่จะประกอบยาให้ก็เมื่อคันนั้นแก่เต็มที่แล้วคันนั้นไม่ตกคือไม่แทงเพราะคันแก่ถ้ารคเกิดนอนขวางขึ้นในคัน เกิดเวีนาขึ้นอย่างแรงกล้ากับหญิงผู้ตั้งกันนั้นและนางได้ตั้งความปรารถนาว่าเราถูกหญิงหมันผู้นี้ทำให้ชิบหายแล้วมันนี่เองทำดารกให้ชิบหายถึงสามคนในบัดนี้แม้ตัวเราเองก็จะชิบหายไม่อาจจะรอดได้จากนี้ไปถ้าเราจุติจากอัตภาพนี้พึ่งเกิดเป็นนางยักษินี เคี้ยกินทารกของมันเถิดนนีน้แล้วนางนั้นตายไปเกิดเป็นแมวในเรือนนั่นเองฝายสามีหอทราบความที่หญิงมันนี้เป็นผู้ทำให้คันตกคือแทงลูกถึงสามครั้งจึงได้ทุบด้วยอวัยวะทั้งหลายมีสอกและเข่าเป็นต้นให้บอบจ้ำแล้วหญิงมันนั้นก็ตายเพราะความเจ็บนั่นแหล และได้เกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนนั้นเหมือนกันต่อการไม่นานแม่ไก่ได้ตกฟองไข่หลายฟองแมวก็มากินฟองไข่เหล่านั้นเสียถึงครั้งที่สองและครั้งที่สามมันก็ได้กินเสียแล้วอย่างนั้นเหมือนกันแม่ไก่จึงได้ทําความปรารถนาว่ามันกินฟองไข่ของเราถึงสามครั้งแล้วแบบ น, นี้ เราขอทำอย่างนี้กับตัวมันและลูกของมันอย่งนี้จุดตีจากอัตภาพนั้นแล้วได้เกิดเป็นแม่เสือเหลืองฝ่ายแม่แมวนั้นได้เกิดเป็นแม่เนื้อในเวลาที่แม่เนื้อนั้นคลอดลูกแล้วแม่เสือเหลืองก็ได้มากินลูกทั้งหลายเสียถึงสมครั้งเมื่อเวลาจะตายแม่เนื้อทําความปรารถนาว่าพวกลูกของเรา แม่เสือเหลืองตัวนี้กินเสียตั้งสามครั้งแล้วเดี๋ยวนี้มันจะกินตัวเราด้วยเดี๋ยวนี้ถ้าเราจุติจากอัตภาพนี้แล้วพึงได้กินมันกับลูกของมันเถิดหนังนี้แล้วได้ตายไปเกิดเป็นน่งยักษีนีฝ่ายแม่เสือเหลืองจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้เกิดเป็นกุลธิดาในตระกูลหนึ่งในเมืองสาวัตถี นั่งถึงความเจริญแล้วได้ไปสู่ตระกูลสามีในบ้านริมประตูเมืองในการต่อมานางได้คลอดบุตรคนหนึ่งนางยักษีนีก็จำแรงตัวเป็นหญิงสายที่รักเข้ามาตามถึงความเป็นไปของบุตรหรือที่ดาที่เกิดขึ้นทาที่เป็นแลดูทารกนั้นอยู่จับทารกนั้นกินแล้วก็หลีกไป ถึงในหนุนที่สองก็ได้กินเสียเหมือนอย่างนั้นในหนุนที่สามนางกุลธิดามีคันแก่จึงบอกแก่สา ม, มีว่าฉันเสียลูกของฉันไปต้องสองคนให้กับนางยักษินีไปแล้วเดี๋ยวนี้ฉันจะไปสู่เรือนแห่งตระกูลของมารดาคลอดบุตรนั่นนี้แล้วจะได้ไปสู่ตระกูลของมารดาของตนคลอดบุตรที่นั้น ส่วนนางยักษินีก็ติดภาระคือการส่งน้ำให้ท้าวเวสสุวรรณอยู่สี่เดือนซึ่ได้พ้นจากงานนั้นนางยักษินีพอพ้นจากเวรในการส่งน้ำให้ท้าวเวสสุวรรณแล้วก็รีบไปสู่เรือนของนางนั้นถามว่าหญิงสหายอยู่ที่ไหนชาวบ้านจึงบอกว่านางใบคลอดบุตรที่ตระกูลของมารดา นางยักษีนีจึงคิดว่าเขาไปในที่ไห น, ไหนก็ตามเถิดจะไม่พ้นจากเราได้แน่เนงนี้แล้วอันกำลังเวณให้อุตสาหะแล้วจึงบ่ายหน้าไปสู่เมือง น, นั้นภายนางกุลธิดาในวันเป็นวันตั้งชื่อให้ทารกนั้นอาบน้ำแล้วตั้งชื่อแล้วจึงพาบุตรร้อมกับสามีกลับไปสู่เรือนของตน ตามทางอันตัดไปในถ้ำกลางวิหารมอม บ, บุตรให้สามีแล้วลงอาบน้ําในสระโบกกรณีเมื่ออาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นมารับเอาบุตรไปให้สามีลงไปอาบน้ําบ้างส่วนตนก็ยืนให้บุตรดื่มนมอยู่ในขณะ น, นั้นนางได้ไลายเห็นนางยักษินีกําลังเดินมาอยู่ก็จําขึ้นได้จึงร้องเรียกสามี ด้วยเสียงอันดังดังนี้แล้วไม่อาจจะยืนรออยู่จนสามีขึ้นมาจากน้ำได้จึงรีบวิ่งบ่ายหน้าไปสู่ในวิหารเจตวันก็ในสมัยนั้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมอยู่ในถ้มกลางบริษัทนางกลุลธิดานั้นให้บุรของตนนอนลงที่พระบาทของพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุตคนนี้หม่อมฉันถวายแก่พระองค์ขอพระองค์ประทานชีวิตแก่บุตรของหม่อมฉันด้วยเถิดนางยักษินีก็พยายามจะวิ่งตามหญิงนั้นก็ไปในวิหารเชตวันแต่สุมนณาเทพผู้สิงอยู่ที่ซุ้มประตูของวิหารไม่ยอมให้นางยักษินีเข้าไปข้างในพระศาสดาจึงรับสั่งให้ท่านพระอานนท์ ไปนำนางยักษณีเข้ามาได้ตรัสถามนางยักษณีผู้มายืนอยู่แล้วว่าเหตุใรเจ้าจึงทำอย่างนั้นก็ถ้าพวกเจ้าไม่มาอยู่เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าผู้เช่นเราเวรของพวกเจ้าจะได้เป็นกรรมที่ตั้งอยู่ชั่วกับชั่วกันเหมือนเวรของงูกับปังพรของหมีกับไม้สกรอและของกากับนกเขาเหตุไฉน พวกเจ้าจึงทำเวรและเวรตอบแก่กันเพราะเวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรหาระ ง, งับด้วยการจองเวรไม่เลยดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระกาานี้ว่าในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระ ง, งับด้วยเวรเลยก็แต่ย่อมระ ง, งับด้วยการไม่มีเวรธรรมนี้เป็นของเก่า ในการจบพระคาตานี้นางยักษินีนั้นได้ตั้งอยู่ในโซดาปฏิผลเมื่อเป็นดังนั้นแล้วพระศาสดาจิงตรัสกับหญิงผู้เป็นมารดาของบุตรนั้นว่าเจ้าจงให้บุตรของเจ้าแกน่นางยักษีนีเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันกลัวเจ้าอย่ากลัวเลยอันตรายย่อมไม่มีแก่เจ้าเพราะนางยักษีนีนี้แล้ว นางนั้นได้ให้บุตรแก่นางยักษณีนั้นนางยักษณีนั้นอุ้มตารกนั้นทั้งจูบทั้งกอดแล้วคืนให้กับหญิงนั้นแล้วก็เริ่มร้องไห้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามถึงเหตุแห่งการร้องไห้นั้นนางยักษณีกราบตุลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อก่อนข้าพระองค์แม้สำเร็จการเลี้ยงชีวิต ด้วยการไม่เลือกทางยังไม่ได้อาหารพอเต็มท้องบัดนี้ข้าพระองค์จะเลี้ยงชีพได้อย่างไรพระศาสดาจึงตรัสปลอบนางยักษินีนั้นว่าเจ้าใหญ่วิตกไปเลยนันนี้แล้วได้ตรัสกับหญิงนั้นว่าเจ้าจงนํานางยักษินีนี้ไปให้อยู่ในเรือนของตนแล้วจงปฏิบัติ ด, ด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดี ดันั้นหญิงสายจึงให้นางยักษ์นีนั้นพักอยู่ในที่อันสงัดภายนอกหมู่บ้านแล้วจึงได้นําโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นอย่างดีไปเพื่อนางยักษิศีนั้นแล้วปฏิบัตินางในที่นั้นนางยักษิศีนั้นได้มีความคิดว่าเดี๋ยวนี้หญิงสายของเรามีอุปการะแก่เรามากเอาเถิด เราจะทำควานแทนคุณสักอย่างหนึ่งหล น, นี้แล้วจึงได้บอกแก่หญิงสายว่านี่แม่ในปีนี้จะมีฝนดีท่านจงทำข้าวกล้าในที่ดอนเถิดในปีนี้จะมีฝนแรงท่านจงทำข้าวกล้าในที่ลุ่มเถิดข้าวกล้าอันชนเหล่าอื่นที่ทำแล้วย่อมเสียหายด้วยน้ำมากเกินไปบ้าง ด้วยน้ำน้อยเกินไปบ้างส่วนข้าวกล้าของหญิงนั้นย่อมสมบูรณ์เหลือเกินครั้งนั้นพวกชนที่เหลือเหล่านั้นจึงพากันถามนางว่าแม่เอย๋ยข้าวกล้าที่หล่อนทําแล้วย่อมไม่เสียหายด้วยน้ํามากเกินไปหรือน้อยเกินไปหล่อนรู้ความที่ฝนดีและฝนแล้งแล้วจึงทํางานอย่างนั้นหรือข้อนี้เป็นอย่างไรเนาะแล นางจึงได้บอกว่าก็นางยักษินีผู้เป็นสายของฉันบอกความที่ฝนดีและฝนแล้งแก่ฉันฉันจึงทำข้าวกล้าทั้งหลายในที่ดอนและที่ลุ่มตามคําของนางยักษินีนั้นเหตุ น, นั้นข้าวกล้าของฉันจึงสมบูรณ์ดีพวกท่านไม่เห็นโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นที่ฉันนําไปจากเรือนอย่างเนืองนิดอย่างนั้นเรือ สิ่งของเหล่านั้นฉันนำไปให้นางยักษินีนั้นแม้พวกท่านก็จงนำโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นอย่างดีไปให้นางยักษ์บ้างสินางยักษินีก็จะดูแลการงานของพวกท่านบ้างกรั้งนั้นชาวเมืองทั้งสิน้นพากันทำการสักการะแกนางยักษินีนั้นแล้วจำเดิมแต่นั้นมานางยักษินีแม้นั้น ก็ดูแลการงานทั้งหลายของชนทั้งปวงอยู่ได้เป็นผู้ถึงลาบอันเลิศและมีบริวารมากแล้วในการต่อมานางยักษินีนั้นก็เริ่มตั้งสลากพัดแปดที่แล้วสลากพัดนั้นชนทั้งหลายยังถวายอยู่จนถึงในการทุกวันนี้นั่นแหละเรื่องความเกิดมีขึ้นของนางยักษินีชื่อกาลีจบ